อธิบายคารุ ธ, ธรรม8ปดอัฐกคารุ ธ, ธรรมพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าคารุ ธ, ธรรมเมหิหมายถึงธรรมอันหนักหรือคารุ ธ, ธรรมเพราะเป็นธรรมที่ภิกษุณีทั้งหลายจะต้องปฏิบัติ ด, ด้วยความเคารพอย่างยิ่งอธิบายคารุ ธ, ธรรมข้อที่หนึ่ง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 คุณสมบัติแปอย่างของพิสุสงสมมุติให้สอนพิสุนีต่อมากลุ่มพัสฉับภคีได้สมมติกันและกันขึ้นเพื่อสอนพิสุนีเพราะหวังว่าจะได้ปัจจัยสี่จากพวกภิกษุณีพระพุทธเจ้าจึงทรงกำหนดคุณสมบัติของภิสุผู้ที่จะได้รับสมมุติจากสงต้องมีคุณสมบัติแอย่างดังนี้ 1. เป็นผู้มีศีล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 หรือไม่นำกลับไปบอกแก่ภิกษุณีทั้งหลายในวันปาติบทย่อมไม่ควรย่อมต้องอาบัตทุกกฎหากภิกษุเป็นผู้รักษาอารัญยิกทุดงคืออยู่ป่าเป็นวัดพึงทําการนัดหมายเพื่อนำไปบอกแก่ภิกษุณีในวันปาติบทสถานที่นัดหมายก็เช่นสภามนดบโคนไม้เป็นต้นและภิกษุณีจะต้องไปตามนัด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 ภิกษุณีทั้งหลายปรวณาแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายทรงกำหนดให้ภิกษุณีปรวณาในภิกษุณีสมก่อนแล้วปรณาภิกษุณีส ง, แ ล, สงและห้ามปราวาพร้อมกับภิกษุทั้งหลายหากฝืนทมต้องอาบัตทุกกดหากไม่ปราวาต้องอาบัตปาจิตตี อธิบายครุ ธ, ธรรมข้อที่หภิกษสณีเมื่อต้องครุ ธ, ธรรมคืออบัตสังคาทิเศตต้องประพฤตปักขมานัตในสงสองฝ่ายสังคาทิเศตของพิกสณีชื่อว่านิสารณียะเพราะต้องขับออกจากมูแต่ไม่มีปราริวาทสำหรับพิกสณีแต่ฝ่ายพิษุหากปกปิดจะต้องอยู่ปริวาทก่อนประพฤตมานั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 นี่เป็นวาจาประกาศให้รู้คามมนตราได้แกอ่อับดสังฆาทิเศษข้อที่สคือภิกษุณีรูปเดียวเที่ยวไปสู่และแวกบ้านเป็นต้นเป็นอาบด์จบกรรมาวาจาแล้วเรียกภิกษุณีผู้ต้องอาบด์นั้นว่ามานัตตจาริกาคือผู้ประพฤติมานัตเธอพึงสมาทานวัดแล้วพึงบอกแกสงคือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประพฤติมานัตของภิกษุนั่นแหละและ